ต้นประโยคคาไวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านนั้หลายสมาทานไดะกรรมฐานแล้วขอได้โปรดตั้งใจสับคํคำแนะนำในการเจริญเทกรรมฐานสำหรับคำแนะนำในการเจริญเทกรรมฐานวันนี้ก็จะขอนำ ม, มาเรื่องของบุคคลตัวอย่าง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 เร่งกล่าวว่านี่สำหรับพระอนุนท่านบอกว่าได้ยินมาแล้วอย่างนี้ว่าพระโ พ, พ, ะพธิละนั้นเป็นผู้ทรงพระไตรบีดกในาศาสนาเขาอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดพระองค์หมายความว่าเกิดาในการก่อนๆ น, นั้นเคยทรงพระไตรบีดกมาแล้ว จำพระไตรปิฎกได้มีความเข้าใจในด้านพระปริยัติผ่านศาสนาพระองค์สมเด็จพระ ส, ส์สุนทรมาทั้งเจ็ดพระองค์แต่ก็ไม่ได้เป็นพระอริ ย, รยเจ้าี่สวยจริงๆเขาเรียกว่าเสียกระดาษนี่บรรดาเสียกระดาษไปอย่างนี้คุยรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้แต่อกินเละแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน ไม่สามารถจะทำลายเป็นได้มันเป็นความเร็วสามมากสำหรับดวงจิตประเภทนี้เมื่อทรงพระไตรวีดกแล้วก็สอนมัณดาปิสุทังหลายห้าร้อยรูปองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธธรรริวาีิส่รูปนี้ ไม่มีแม้แต่ความคิดว่าเราจะทําการสลัดออกจากความทุกข์แต่ตนนี่หมายความว่าเธอเรียนและสอนเมาในความรู้แต่ว่าไอความรู้สึกนึกคิดที่ว่าจะทําลายกิเลสให้มันหมดไปนี่ไม่เคยคิดองสมเด็จพระธรรมสามิตรีทรงดตรัสว่าเราจะทําเธอให้เกิดความสลดใจ นักจําเดิมนั่นแต่นั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัส ก, กับพ ร, ร, ระเทระนั้นว่านั่พระเทระนั้นไมนเวลาที่พระเทระมาสู่ที่บำรุงบำรุงพระองค์ว่ามาเถิดคุณไบลานเปล่านั่งลงเถิดคุณไบลานเปล่าไปเถิด คุณบรรลัยคุณใบลานเปล่าและในเวลาที่พระเถระลุกไปก็ตรัสว่าคุณใบลานเปล่าไปแล้วพระโรธพะโธิละนั่นคิดว่าแหมตัวนี้พุทธญาติแท้สักนิด <c oughs> คำว่าคุณใบลานเปล่าก็หมายความว่ารู้พูดได้เข้าใจดี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 แต่าใบจิตใจยังมอดสมไม่ได้กินเหล็กเขาเรียกว่าคนใบลานเปล่าจะไม่ดีนะครับที่ผมเรียกว่าเสือกระดาษเวลานี้มีเยอะเมาไม่ราบยศสนเสริญสุขแต่ว่าที่ท่านมียศทำไมเมาก็มีนะระวังให้ดีอย่าไปนึกว่าท่านที่มียศนเมาไปหมดบางทียศในใครเขาย่องย่องย่อ ง, อ, งอามาให้ก็แค่นั่นแหละ ไปเมายีแค่ยศมันก็ติดกิเลสถ้ะพูดกันต่อไปว่าพระโพธิละนั้นคิดว่าเราย่อมทรงซึ่งพระไตรบิดกพร้อมทั้งอัติกถาอัติกถาหมายถึงคำอธิบายพยายามสอนทำแก่บรรบดาวิสุทธิ์ทั้งหลายห้าร้อยรูปถึงสิบแปดคณะเป็นคณะใหญ่ ไม่ความคณะห น, นึ่งห้าร้อยรูปสิบแปดคณะก็เยอะนะพระอาจารย์ใหญ่อาจารย์เบอร์ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตัดเรียกเราเนืองๆว่าคุณใบลานเปล่าเพรานั้นาว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกเราอย่างนี้ก็เพราะความที่เราไม่มีคุณวิเศษ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 ไม่ใช่ลูกน้องได้ออกไปพร้อมกับรรดานิสุที่เรียนทำแล้วออกไปภายหลังที่บิสูตทั้งหมดในเวลาวันใกล้หลวงนี่ไปไม่ถือตัวรู้ตัวง่ายๆอย่างนี้ก็เสเมตมรรคผลพวามิสูตรนั่งสาธิยาอยู่ในบริเวณนั่งสวดมนต์ท่องจำที่พระเถระสอนเธอไม่ได้กำหนด ว่าท่านอาจารย์เทระองค์นี้ไปสิ้นสองยศแล้วหมายความว่าบรรดาแพทยทั้งหลายเท่านั้นนั่งเรียนเพลนท่องเพลนดูเพลนอ่านเพลน <c oughs> เรียนกับอาจารย์ได้อาจารย์เปิดไปแล้วปลายทั้งที่สองยศนุสิตเรียนเพลนอยู่ที่นี่ท่านเข้าไปหาวิสุทธิ์สามสิบรูป ที่อยู่ในอาวาสราวา่าแห่งหนึ่งไหวพระสังฆเถระคือพระผู้ใหญ่แล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งแก่กระผมเถิดาที่พึ่งของกระผมเถิดขอรับความจริงพระที่ท่านไปหาเนี่ยเป็นพระฤาษีของท่านนะท่านสอนให้รู้ปริยัติธรรมไปหมดสําหรับพระสังฆเถระผู้มีอายุ จึงกล่าวว่าท่านภู้มีอายุท่านเป็นธรรมกะถึกเป็นผู้สแสดงธรรมสิ่งไรที่ชี้ว่าพวกเราได้พึงทราบได้ก็เพราะอาศัยท่านที่เรามีความรู้ขึ้นมาได้ในเราอาศัยพวกท่านท่านสอนทําไมท่านยิงกล่าวว่าขอท่านขอผมเป็นที่พึ่งแล้วขอรับพระโพธิละยิงกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ขอท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยขอท่านอย่าเป็นที่พึ่งแก่กผมเถิดความจริงท่านเป็นพระดีมากไม่เมาไม่เมาความรู้เนือยเหมือนพระมหากรบินหรือว่ากปีลาพิโคในต่อมาพระเทระเหล่านั้นทั้งหมดหม้ความพระทั้งหมดเนทั้งหมด ที่อยู่ในสำนักนั้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นไปขีนนาศคือเป็นพระอราหันต์ทั้งสิน้นํำดับนั้นพระมหาเถระจึงได้สรงพระโพธิละนั้นไปสโสสำนักของอนุเถระคือพระที่มีอโวโสรองลงไปว่าท่านอาจารย์จะไปหาพระองค์นั้นเป็นที่พึ่งเถิดที่สุเที่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 ขณะเนนองเล็กๆเนี่ยกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันพระเทระท่านหลายนำพระมานะของตอนออกได้แล้วว่าโอยบาลีทึงก็หล่ออยู่เป็นอันว่าพระโพธิละนั้นหมดมานะทิฏฐิราะว่าจะหาที่พึ่งกว่าจะได้ที่พึ่งกับโน่นท้ายบาลีน่น เมื่อได้ที่พึ่งเขาไปหาสมณเนรน้อยดูใหม่หาสมณเนรน้อยไหมความว่าท่านจะหมดมาณะทิ่ฐิได้พระบรรดาพระท่านหลายบอกโน่นโน่ น, อ, นองนุน้น่ละท่านสอนท่านได้ไปอวน้นบอกไปองนุ่นเนีน่ะสอนท่านได้ตัาน่าเข้าไอาการถือตัวถือตนมันก็หมดไปในที่สุดท่านให้ไปหาเนรตัวเล็กๆอายุเจ็ดปี แต่ว่ามีความดีคือเป็นวิขีนาศเขาได้เกดเป็นอราหันต์ท่านก็เข้าไปพระโพธิละนั้นท่านกล่าวว่ามีมานะอันเทระท่านหลายนำออกแล้วฟังยุ่งหมายความหมดมานะทิฏฐิยิงเข้าไปแปรคองอัญชลีในสำนักโคสมัมมณีแล้วกล่าวว่าท่านสัตว์ุรุษ กล่าวว่าท่านสัตวร์ระหลุดขอท่านยังเป็นที่พึ่งกับผมเถิดนี่ท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่นะ่ะสอนพระไตรวีดกสามารถยกมือไหว้สมณี น, นได้น้าท่านผู้ฟังคิดไหมว่าพระผู้ใหญ่ไปไหว้สมณีนั้นเนรจะบาปไหมผมก็ตอบว่าแต่ความจริงเวลานั้น น, นเนรใหญ่กว่าพระองค์นั้น ท่านที่เป็นในนายุพเพงเจ็ปีท่านได้สมเด็จอราหารันองค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกบุคคลนั้นว่าพระมาหาเทระคือว่าเป็นผู้ใหญ่โดยคุณไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่โดยอาศัยที่มีอายุมากคนมีอายุมากแต่ไม่คุณไม่มีคุณสมบัติเขาเรียกว่าแก่พักแก่แฟนแก่แตงแก่น้ำเตา่า มันไม่มีความหมายอะไรไม่เหมือนแกมาพร้าวถ้ายิงแก่ยิ่งข้าวมันก็ยิ่งมันสมัหลับสมันเลนตัวเล็กๆนั้นท่านเป็นอรหันต์จบยอดเทจบกษษษิจเทวพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระมหาเทระมาเล่าเรื่องของท่านต่อไปฟังแล้วก็จําให้ดีเนี่ยขอรับนี่เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติสมันเลนยังบอกว่าตายจริงท่านอาจารย์ อาจารย์มาพูดอะไรอย่างนั้นนะครับท่านเองเป็นคนแก่ท่านเองเป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์เขาเหตุใดจึงจะมาทําให้ผมเป็นที่พึ่งของพระคุณเจ้าเลยครับท่านโพธิระที่ได้กล่าวว่าท่านสัตว์ปรุษอย่าทําอย่างนั้นเลยขอจงเป็นที่พึ่งของผมเถิดครับ ท่านสมณเณรกล่าวว่าท่านขอรับหากท่านจักเป็นผู้มีความอดทนต่อวาดได้แล้วผมจักเป็นที่พึ่งของท่านเออเอาละสิเณนแสดงความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วพระโพธิละยังกล่าวว่าผมทาได้ขอรับท่านสัจธรรุเรเมื่อเต็งกล่าวว่าเมอสมณเณรกล่าวว่า จงเข้าไปสู่ไฟผมก็จะเข้าประกองไฟเดี่ยวนี้แหละขอรับนนี่ท่านดีจริงๆนะละมานะทิฐิได้ไม่ถือตัวไม่ถือตนว่าเคยเป็นขณาจารย์ใหญ่ใครๆก็เป็นลุสศิษย์แต่ความจริงท่านพระทั้งหมดนี่ที่เป็นอาลัยเป็นลูกศิษย์ท่านหั้งนั้นท่านสอนทำให้แล้วก็พระท่านหลายปฏิบัติทำจิตให้ผ่องใสเป็นอาหัยหมด แต่อาจารย์ปลายกฎว่าจะเป็นปุตุชนคนหนานแน่นเปดเวิเลต ท, ที่ต้องคิดเน่งกล่าวว่าลำดับนั้นสมณเณรจึงได้สแสดงสะสะหนึ่งอยู่ที่ไม่ไกลแล้วกล่าวกับท่านว่าท่านเขรับท่านนุ่งห่มตามเดิมนี่แหละจงไปสู่ในสระกลงสระให้น้ำมาเปียกลงในน้ำ เึ่งกล่าวว่าสเสมณเณรนั้นก็รู้ความที่อาจารย์ผู้ใหญ่นั้นท่านมีจีวรสองชั้นซึ่งมีราคามากที่พระเทระนั้นนั่งห่มอยู่อยากจะทดลองดูว่าพระเทระจะเป็นผู้อดทนต่อ ว, วาดได้หรือไม่ยังได้กล่าวอย่างนั้น แม้บเถระก็ลงไปด้วยคำคำเดียวก็หมายความเนนบอกลงไปในสระในน้ำ<ม>ท่านก็เดินลงไปเลยว่าไรว่าตามกันไม่มีทิฏฐิมนะไม่นึกว่านี่เด็กเล็กๆจะมาเล่นหรือตลกเราว่าการตรงไปตัวมาก็บอกแล้วนี่บอกว่าเอาสั่งอะไรก็เอาสั่งเข้ากองไฟก็อย่าเข้าแต่นี่สมันเนรสั่งให้เข้าลงไปในน้ำเรื่องไรจะไม่ลง ลำหนับนั้นในเวลาที่ชายยีวรเปรียกสมันเลนจึได้เรียกกันว่าท่านอาจารย์ครับขึ้นมาเถิดขอรับแล้วก็กล่าวกับท่านผู้มายืนอยู่ด้วยถ้อยคําคําเดียวนั้นว่าท่านอาจารย์ผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งนี่ฟังให้ดีนะครับเป็นถ้อยคํำที่สมันเลนที่เป็นพระอาหารหันต์เทศ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 คิดได้พรุ่งนี้เป็นอรหรนันต์พรุงนี้ชาตินี้คิดไม่ได้ชาติหน้ายังไม่เป็นอรหันต์ไม่เห็นมันยากท่านบอกว่าบรรดาทวารนางหกไอ้ช่อง ท, ที่ปลวกที่มีช่องหกช่องท่านเปรียบกับทวารทั้งหกทวาร น, น้างหกมีอะไรมีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะ ถวรนนี่ไม่หมายความถาวรหนักถาวรเบาอยู่ไว้ลอกอย่างนั้นนะไอ้วาวรหนักถาวรเบาถาวรปากถาวรหูถาวรสมองก็มาใช้อย่างนั้นนี่เป็นวาวคืออายตนะยังกล่าวว่าบรรดาวานรทั้งหกแม้ท่านจงปิดถาวรห้าปิดถาวรห้าที่เหลือนั่นแล้วคือหมายความทั้งห้าถาวนี่ปิดนะซะ เปิดมันทวานเดียวแล้วจึงเริ่มบริกรรมไม่ในมนโนทวารหมายความปิดตาหูจมูกลิ่นกายนะทวารห้าเหลือจะทะวารใจทวารเดียวแล้วก็มีในประมาณเทา่านี้ความแจ่มแจ้งจะได้มีเก่พิสุเพือเป็นผู้สุร ดูเดียการลุกโพรงขึ้นแห่งดวงวัทวิบนั้นพระโพธิละนั้นกล่าวว่าท่านสตัตว ท, ท่านสตัตท่านสัตรุษคำมีประมาณทั่า น, นี้นั่นแหละพอแล้วดึงอย่างยานลงในในในใ น, ในกระชะกายมม่งยุงในร่างกายยะ หรือว่าทำความรู้สึกใช้ปัญญาพิจารณากายกตานุสติกรรมฐานเอาอย่างนี้ดีกว่าท่านจำง่ายนะแล้วก็ปรารภธรรมจำได้มันครับปิติวานทั้งห้าเสียเหลือแต่ทวานเดียวเอาใจเหลือแตม่มโนทวาน แล้วกำมโนทวานนพิจารณากายยกตานุสติกรรมฐานว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าเราศื่อสาในมหาปฏิปทานนนสวดก็จับจิตตานุปัสนามหาปฏิปทานที่ก่ารับหยาบจุดนั้นจุดเดียวแล้วก็ว่าเลยมาถึงกายาเวทนาธรรมมาหมด จับอยู่จุดเดียวเท่านี้กิเลสมันจะอยู่ได้ยังไงกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่กายากิเลสมันอยู่ที่ใจแต่ส่วนมากเราไปปรับปรุงกายแล้วมันจะเกิดผลอะไรนะครับฟังต่อไปพระองค์สมเด็จไปจอมไตรประทับอยู่ในที่สุดที่ประมาณร้อยยี่สิบย ทอดพระเนตรดูพิสุจน์นั้นแล้วองค์สมเด็จพระประทีรแก้วทรงมีพระพุทธดำริว่าพิสูจน์นี้จะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางโดยจะเปนดินด้วยประการใดแลหมายความว่าต้องการให้พระองค์นั้นใช้ปัญญาให้ถูกต้องครอบงำอ า, าการทั้งหมดสามารถทำลายกิเลสให้สิ้นชาติ องค์สมเด็จประสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคิดว่าการที่เธอตั้งตนไวโดวยประมาณเท่านั้นนั่นแหละย่อมเป็นการสมควรและจึงทรงเปล่งพระสั ม, มีบันหนึ่งจดุดว่าประทับอยู่ที่หน้าเธอและจึงแต่เป็นบาตรคาถาว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบ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 เสมอเขาก็ไม่เอาเอาอะไรเอาธรมาธรมดาธรรมดาว่าใครจะดีใครจะเลวใครจะเสมอไม่เกี่ยวแล้วอัตนาจโจทยตานังฉันเกี่ยวอย่างเดียวคือล้างกิเลสให้สิ้นชาติไปจากกิจและเอาธรรมะขององค์สมเด็จป ร, รมสามิตรที่สมณเณรสอน ว่าทวานทั้งหกอย่าสนใจมันตาหูจมูกลิงกายไม่เป็นเรื่องมีตาทาตาเมือนตากระทูดูอะไรไม่รู้เรื่องมีหูกท็ทำเหมือนหูกะทะไม่ไม่รู้เรื่องใครเขาจะว่าอย่างไรใครจะสวยใครจะไม่สวยก็ช่างมันใครจะพูดดีใครจะพูดชั่วก็ช่างมัน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 รถจะทบลิงกายสัมผัสก็อ้ ก, กายนี่มันเป็นเรื่องพังพังทางนั้นว่าถูท่าต่างๆที่เห็นด้ตามมันก็พังเสียงได้ยินในหูมันก็พังมันหายไปกลิก่นกระทบจมูกแล้วก็พังมันหายไปลิงกระทบรถหน่อยหนึ่งรถเดี๋ยวเดียวคลื่นแล้วรถก็หายไป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 อยู่ในบ้านในเมืองก็เป็นอรหันต์อยู่ในป่าชา้าป่าช้ายก็เป็นอรหรันต์จะอยู่ในตุม่มในโพรงไม้อะไรก็เป็นอรหันต์อรบรรดาท่านระโยคาวิาจรทุกท่าน <c oughs> <c oughs> เรนอันว่าคำแนะนำในวันนี้ยกบุคคลขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อว่าท่านนันหลายชอบใจธรรมะอย่างนี้ก็นำไปประพฤติปฏิบัติ เห็นไหมว่าสมัยองค์สมเด็จพระสุสนทรเสด็ในเขาฟังกันไม่มากเราเป็นแช่ปัญญาเป็นเครื่องคิด <c oughs> เขายังพายกันจบกิจพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายสำหรับเวลานี้มองดูแลเลยไปนิดหนึ่งก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อ น, นี้ไปขอท่านหลายตั้งกายให้ตรงดโรงจิตให้มัน่น ใช้ปัญญาพิจารณาไข้คนตามอัตยาสายยิ่งกว่าเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่สมควรสวัสดี